เรื่องอุทธกุกะเค ป, ปะสีมาในแม่น้ำเป็นต้นภิกษุทั้งหลายแม่น้ำทั้งหมดไม่จัดเป็นสีมาสมุทรทั้งหมดไม่จัดเป็นสีมาชาติศาสตร์ทั้งหมดไม่จัดเป็นสีม า, า, า, มมมาภิกษุทั้งหลายในแม่น้ำในสมุทรหรือในชาติศาสะชั่วระยะชายมีสันฐานปานกลางวักน้ำศาสตร์ไปโดยรอบเป็นอุทธกุกะเค ป, ปะสีมา สีมานี้ในหน้าน้ำเหล่านั้นเป็นสมานสังมาตมีอุโบสถเดียวกัน